จิตตะขหาบดีต้อนรับพระอาคันทุกะจิตตะขหาบดีทราบว่าพระเถระหลายรูปเดินทางมาถึงเมืองมัชิกาสนแล้วครั้งนั้นจิตตะขหาบดีเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายที่สำนักไหว้แล้วนั่งลงณนาที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้จิตตะขหาบดี ผู้นั่งหน้าที่สมควรให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ากล่าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นจิตตาฆาหาบดีผู้ซึ่งพระสารีบุตรเถระชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล่ากล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงกราบอาราธนาพระเถระว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับอาคันตุกะพัดของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นเถิดพระเถระรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้นเขาทราบว่าพระเถระรับคำนิมนต์แล้วได้ลุกขึ้นไหว้พระเถระทั้งหลายทำประทักษณิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสุธรรมไหว้แล้วยืนณที่สมควรเรียนท่านพระสุธรรมว่าท่านผู้เจริญนิมนต์รับพัะตาหารของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับพระเถระทั้งหลายเถิด ลำดับนั้นท่านพระสุธรรมคิดว่าแต่ก่อนจิตตะคหาบดีนี้เมื่อต้องการจะนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลก็ต้องบอกเราก่อนทุกครั้งแต่เวลานี้กลับไม่บอกเราก่อนแล้วไปนิมนต์พระเถระทั้งหลายบัดนี้จิตตะคหาบดีคงจะโกรธไม่สนใจใหญ่ดีเบื่อนายเราเสียแล้ว จึงตอบว่าอย่าเลยจิตตาขหาบดีอาตมาไม่รับนิมนต์แม้ครั้งที่สองจิตตาขหาบดีก็กราบเรียนท่านพระสุธรรมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญนิมนต์รับพัตตาหารของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับพระเถระทั้งหลายเถิดท่านพระสุธรรมตอบว่า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 อาตมาไม่รับนิมนต์เวลานั้นจิตตาขหาบดีคิดว่าพระสุธรรมจะรับหรือไม่รับนิมนต์ก็ทำอะไรเราไม่ได้ไหว้พระสุธรรมแล้วทำประทักษิณจากไป